นะโมพพโตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพพโตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะพิสุทธิ์ทั้งหลายตัณหามี3มอย่างเหล่านี้3อย่างคือกามตัณหาคือตัณหาในกาม 2. เพราะวะตัณหาคือตัณหาในความมีความเป็น 3. วิภวะ ตัณหาคือตัณหาในความไม่มีไม่เป็นเหล่านี้แหละคือตัณหาสามอยา่างปิกษุทั้งหลายการประกอบอยู่ได้กามคือการมโยคะเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้แจ้งชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความก่อขึ้น แห่งกรมทั้งหลายซึ่งความดับไปแห่งกรามทั้งหลายซึ่งรสอร่อยแห่งกรามทั้งหลายซึ่งโทษแห่งกรามทั้งหลายและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นได้จากกามทั้งหลายเมื่อเขาไม่รู้อย่างนั้นความกำหนดในกรม ความเพลินในกามความสเสน e หาในกามความสยบในกามความหิวกระหายในกามความเร่าร้อนเพราะกามความเมาหมกในกามและกามมติหาในกามทั้งหลายย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นนี่แหละเราเรียกว่ากามมโยคะคือผู้ประกอบตนอยู่ด้วยกาม พิสุจน์ทังหลายการมาคุณมีห้าอย่างเหล่านี้5้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผดทพะที่สัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจเหล่านี้แหละคือกรรมกุลทั้งห้าสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษ ไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกพ้นไปได้จากทุก์ทำการบริโภคกรรมคุณตั้งห้านั้นอยู่สมณะหรือพรามพวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้จะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มานผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดๆเปรียบ ได้ดังเนื้อทายกวางเนื้อทายที่อยู่ในปากตัวที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในบ่วงเมื่อนายพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยนี้ฉันใดสำานะหรือพรามเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเขาพากันติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ ในกามคุณทั้งห้าเหล่านั้นแล้วก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกพ้นไปได้จากทุกทำการบริโภกกามคุณทั้งห้าอยู่อย่างนั้นสมณะหรือปรามพวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเดิดว่าจะเป็นผู้ ที่จะถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอาเภอใจย่างใดใดแหละเรื่องผูกอันใดที่เกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้และเกิดแต่หญ้าก็ตามบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเรื่องผูกอันนั้นว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงเลย ส่วนความยินดีของบุคคลผู้ยินดีแล้วในต้มหูแก้วมณีเป็นต้นด้วยและความเยื่อใยในบุตรและภรยาด้วยผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวความยินดีและความเยื่อใยอันนั้นว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงที่จะฉุดสัตว์ลงสู่ที่ต่ำได้โดยแท้ ซึ่งผูกไว้หย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากพิจุรณทั้งหลายกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเปล่าๆปล่าีบๆีเป็นของเท็จเป็นสิ่งที่มีการหลอกให้หลงเป็นธรรมดากามนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ทำแล้วด้วยมายาเป็นที่พร่ำบนของคนผ่าน ได้แก่กามและสัญญาในกามทั้งที่เป็นไปในพบปัจจุบันนี้และเป็นไปในพบเบื้องหน้ากามและสัญญาในกามทั้งสองอย่างนั้นเป็นอาณาจักรของมารเป็นวิสัยของมารเป็นเหยื่อของมารและเป็นที่เที่ยวหาอาหารของมารจิตอันเป็นบาปอากุศล เป็นอภิชาคือความเพ่งเล็งก็ดีเป็นพยาบาทก็ดีเป็นสารัมพะคือการแข่งดีก็ตามเหล่านี้ย่อมเป็นไปในอาณาจักรของหมา น, นั้นออหนึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมมีขึ้นเพื่อเป็นอันตรายแกพระอริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมะวินัยนี้ได้โดยแย่แหล มีในสมัยหนึ่งพ ร, ระเจ้าเปรเซนทิโกสลได้ตรัสกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันนั่งในที่วินิจฉัยอัตมาคดีนั่นแหละได้เห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพรหมหาศาลบ้างพวกกระบีดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคมากมีทองและเงินเหลือเฟือ มีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์อยู่มากมายทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องให้กระทาข้าแต่รุง่งผู้เจริญความคิดได้เกิดแก่หม่อมฉันว่าบัดนี้พอแล้วในการวินิจฉัยอัถคดีบัดนี้วิถุตปะจงประกฏตัว ในการวินิจฉัยคดีสืบไปเถิดหนังนี้มหาป พ, พิธข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือข้อที่พวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพระมหาศาลบ้างพวกเลราธีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินเพียงพอ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 รันได้ตัดคำนี้แล้วได้ตรัดคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสื่อไปว่าผู้ย้อมติดอยู่ในการบริโภคกามพววพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวมตัวของตนดังมัสยยชาติพลัดเข้าสู่เรื่องดักฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลัง เพราะว่าผลที่เขาสร้างไว้เป็นความชั่วมหาราชข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือข้อที่สัตว์เหล่าใดได้โพคะอันมหาศาลแล้วไม่เมาอยู่ด้วยไม่หมัวเมาอยู่ด้วยไม่ถึงความยินดีในการทั้งหลายด้วยและไม่ปฏิบัติผิดในสัตว์ทั้งหลายด้วย สัตว์เหล่านั้นมีน้อยนักในโลกอันที่จริงสัตว์เหล่าใดได้โผคะอันโมโหรานแล้วเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความยินดีในการทั้งหลายด้วยและปฏิบัติผิดในสัตว์ทั้งหลายด้วยสัตว์เหล่านั้นมีมากในโลกได้ตรัส ร, รมที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ย้อมติด อยู่ในการบริโภคกามผัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวมตัวของตัวเหมือนกวางเนื้อสายหรือนกพลัดเข้าสู่เครื่องดักฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในการภายหลังเพราะว่าผลที่เขาสร้างไว้เป็นของชั่ว สาวนหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ครองจีวรถือบาทเข้าไปบินบาบดในเมืองสาวัตถีได้ทรงเห็นหมูมนุษย์ในเมืองสาวัตถีนั้นซึ่งกําลังข้องเกี่ยวติดพันอยู่ในกามกำนัดในกามเมามกอยู่ในกามเป็นส่วนมากจึงได้เปล่งคําอุทานนี้ออกมาว่าสัตว์ทั้งหลายที่มืดมน พราะอำนาจแห่งกามถูกตันหาเป็นดุดข่ายเครื่องดักสัตว์ปกกลุ่มไว้ถูกเครื่องมุงคือตันหาปิดบังไว้ถูกมูมานซึ่งเป็นเหมือนพวกพ้องของผู้ประมาทจองจำตัวไว้ย่อมไปสู่ความแก่และความตายเหมือนปลาเข้าไปสู่ปากแห่งเครื่องดัก หรือเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมเข้าไปหาแม่จากนั้นมังคนทยบุรุษคนที่เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังถูกตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลอยู่ร่มตัวอยู่ที่หลุมฐานเพลิง เขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดปากแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็นและเปื่อยเน่ามากยิ่งขึ้นอยู่เพียงนั้นจะมีเพียงความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่แผลที่ได้รับการเก่าหรือการอบอุ่นเพราะฝ่ายนั้นเป็นต้นเหตุข้อนี้ มีอุปมาฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นคือสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้ไม่ไปปราดจากความกำหนัดในกรรมทั้งหลายถูกกรรมมตญหาแทะกัดอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกรมแพทย์เผาอยู่ก็ยังขืนเสพกรามทั้งหลายอยู่นั่นเองเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใด คามมัธหาของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นด้วยเขาถูกความเร่าร้อนพระกามแพดเผาอยู่ด้วยและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่รถอันอาศัยกามคุณทั้งห้าเป็นเหตุอยู่เพียงนั้นเท่านั้นแหละ ทีสุดทั้หลายธรรมะเหล่าใดที่เรากล่าวแล้วโดยหลายแง่หลายมุมแก่พวกเธอทั้งหลายว่าเป็นธรรมะที่ทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงการทั้งหลายเรากล่าวแล้วว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มาก มีเรื่องทำให้ครับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ควรเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกควรเปรียบด้วยชิ้นเนื้อควรเปรียบด้วยคบเหลิงหญ้าควรเปรียบด้วยหลุมทานเพลิงควรเปรียบด้วยของในความฝันควรเปรียบด้วยของที่ยืมเข้ามา ควรเปรียบด้วยผลไม้และควรเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อควรเปรียบด้วยหอกและหลาและควรเปรียบด้วยหัวงูฉะนั้นเปรียบเหมือนสุนัขที่หมดกำลังเพราะหิวจัดจะพึงเข้าไปยืนจะเง้ออยู่ในที่ที่ฆ่าโกคนฆ่าโกหรือมือของเขาผู้ชนานาญงาน ก็จะพึงเอาท่อนกระดูกที่ชำละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างโยนไปให้สุนัข ต, ตัวนั้นแทะเรบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสุนัขตัวนั้นแทะกระดูกที่ชำละเนื้อออกหมดแล้ว ไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่อ อ, อ, อ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างนั้นอยู่จะพึงบรรเทาความหมดกําลังเพราะหิวจัดได้แหละหรือข้อนั้นหามไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะว่าท่อนกระดูกที่ชําำระเนื้อออกหมดแล้วนั้นไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่ออ่อนเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างเท่านั้นสุนัขตัวนั้น ก็จะได้รับแต่ความเหนื่อยใจและความขับแค้นใจโดยแท้ประชกข้าก็ระบดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้ายอมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดแล้วว่ามีอุ ป, ปมาเหมือนท่อนกระดูกเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์มาก ทำให้เกิดความขับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆคือกรรมกุณทั้งห้านั้นแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียว อันอาศัยอารมณ์เดียวคืออุเบกขาอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อของโลกโดยประการทั้งปวงแหลกร็ระบาดีหรือเปรียบเหมือนนกแรง้งหรือนกเหยี่ยวหรือนกตะกลุ่มก็ตามตัวหนึ่งข้าบชิ้นเนื้อาพาบินไป ฟูงแรงบ้างฝูงเหี่ยวบ้างฟูงนกตระกุมบ้างก็จะตามโบตามโบนกตัวนั้นเพื่อให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้นอย่างนกตัวนั้นให้ปล่อยให้กายก็ดำ บ, บดีท่านจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าแรงหรือเหี่ยวหรือนกตระกุมนั้นไม่รีบสลัดทิ้งซึ่งชิ้นเนื้อนั้นเสียใจ มันก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าการทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มาก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 อันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อของโลกโดยประการทั้งปวงแหลหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถือเอาคบเพลิงหญ้าแห้งที่ติดไฟลุกโปลงๆ้าทวนลมไปก ร, ระบอดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าบุรุษผู้นั้น ไม่รีบทิ้งคบเพลิงหญ้าแห้งนั้นเสด็จเร็วไซคบเพลิงนั้นก็จะพึ่งลามไม่มือไม่แขนหรือไม่อวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบุุษนั้นเขาก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรือด้วยเหตุนี้แหละอริยาสาวกย่อมพิจารณา เห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยคบเพลิงยากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความขับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนหลุมฐานเปลิงที่ลึกชั่วบุรุษหนึ่ง เต็มไปด้วยฐานเปลืงที่ปราศจากเปเลวและปราศจากควันครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งผู้ต้องการเป็นไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกมาสู่ที่นั้นและมีบุรุษผู้มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษผู้นั้นที่แขนข้างละคนแล้วฉุดกราพาไปยังหลุมฐานเปลือนั้น กระำบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่บิดตัวดิ้นไปทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างนี้บ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุว่าบุรุษนั้นรู้อยู่ว่าถ้าตกลงไปในหลุมฐานเปลืองนิสัยก็จะถึงความตายหรือได้รับทุงข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุพระเจ้าข้าก็ดำบดีบ ด้วยเหตุนี้แหละอริยาสาวกในธรรมะวัไหนนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยหลุมฐานเปลิงเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์มากทําให้เกิดความขับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งครั้นเห็นกามนั้น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 หรือเปรียบเหมือนบุุษผู้หนึ่งฝันเห็นสวนอันรื่นรมใจฝันเห็นป่าไม้อันน่ารื่นรมใจบ้างฝันเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจบ้างหรือฝันเห็นสโบกกรณีอันน่ารื่นรมใจบ้างรรครันนรนร้นเมื่อบุุษผู้นั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พบเห็นอะไรเลยด้วยเหตุนี้แหละ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 หรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งขอยืมทรัพย์จากผู้อื่นได้แล้วเอาลงใส่เหวียนน้อยมีต้มหูแก้วมณีอันล้ำค่าเป็นต้นบุรุษผู้นั้นวางของที่ยืมมาเหล่านั้นไว้ข้างหน้าตัวบ้าง ร, รอบๆตัวบ้างขับผ่านไปตามหมู่ชาวร้านหมู่ชนนั้นเห็นบุรุษนั้นแล้ว ก็จะพึงกล่าวกันแซ่ซองว่าท่านผู้ชนทั้งหลายเอ๋ยดูสิบุรุษผู้นี้ร่ำรวยจริงหนอะดูสิพวกคนรวยเขาใช้สอยโภคทรัพย์กันอย่างนี้นี่เองดังนี้ครั้นเจ้าของทรัพย์พบบุรุษซึ่งทำอยู่ดังนี้ไหนที่ใดๆเขาก็จะทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปณนะที่นั้นๆ น, น, นั่นเอง มิใช่หรือข้าแต่พระ่งผู้เจริญข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมดาโจ้ของทรัพย์ก็ต้องทวงเอาทรัพย์ของตนคืนไปพระเจ้าค่าก็าตรบรดีด้วยเหตุนี้แหละทราวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าการทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมา ด้วยของยืมเขามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งหรือเปรียบเหมือนป่าใหญ่ตั้งอยู่ที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมนักในป่านั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลไมหน่ากินด้วยมีลูกดอกด้วยส่วนผล ที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยครั้นนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งผ่านมาเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้เที่ยวสแสวงหาผลไม้อยู่เขาเข้าไปในแปลงป่านั้นพบต้นไม้นั้นแล้วก็คิดว่าต้นไม้นี้มีผลไมหน่ากินด้วยมีลูกดอกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลย และเราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่ถ้าฉะนไหนเราจะขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึ่งกินผลไม้ตามความพอใจด้วยและจะยังห่อให้เต็มด้วยท้งนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้นั้นเก็บกินตามความพอใจด้วยห่อจนเต็มห่อกลับไปด้วยในลำดับนั่นเองบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นผู้ต้องการด้วยผลไม้ เที่ยวสแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันถือขวานคมกล้าผ่านมาละที่นั้นเขาก็ไปยังป่านั้นแล้วก็พบต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นซึ่งมีผลน่ากินด้วยมีลูกดอกด้วยเขาก็คิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยมีลูกดอกด้วยส่วนผลที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลย แล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้ถ้าจะไหนเราจะโค่นมันที่โคนแล้วจะพึงกินผลไม้ตามความพอใจด้วยจะยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้เขาก็โค่นต้นไม้นั้นที่โคนกระบดีท่านจะสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้ขึ้นอยู่บนต้นไม้คนแรกถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วไซเมื่อต้นไม้นั้นล้มลง เขาก็จะต้องมือหักบ้างเท้าหักบ้างหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหักบ้างโดยแท้บุรุษนั้นก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะคอนั้นไม่ใช่หรือด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่ากรรมตั้งหลายอันปราปู้มีพระปาเจ้า